ตำนานล้านนาวันลอยกระทงและสัมผัสที่หกของเด็กเห็นผีสัมผัสสยองเราชื่อจิตตาเป็นครูสอนในโรงเรียนระดับประถมศึกษา เด็กนักเรียนที่เรารับผิดชอบสอนคือชั้นประถมศึกษาปีที่4ซึ่งเด็กๆจะมีอายุเฉลี่ยประมาณ10ขวบเราจบครูระดับประกาศนียบัตรชั้นสูงวิชาเอกสังคมศึกษาแต่พอมาสอนที่โรงเรียนจริงๆเราต้องสอนเกือบทุกวิชาทั้งวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์สังคมศึกษาภาษาไทยแม้กระทั่งวิชาวาดเขียนเราก็ต้องสอน แต่ก็จะมีครูเฉพาะในบางวิชาเช่นครูภาษาอังกฤษและครูพละศึกษาที่มาช่วยสอนเป็นบางชั่วโมงช่วงนี้เป็นภาคเรียนที่สองซึ่งจะอยู่ในช่วงเดือนตุลาคมถึงมีนาคมส่วนเดือนนี้เป็นเดือนพฤศจิกายนซึ่งทุกๆปีเดือนนี้ก็จะมีประเพณีที่สําคัญประเพณีหนึ่งของคนไทยนั่นก็คือ ประเพณีลอยกระทงซึ่งตรงกับวันเพ็ญเดือนสิบสองปีนี้ก็เหมือนเช่นเคยพอใกล้จะถึงวันลอยกระทงทางโรงเรียนก็จะมีกิจกรรมประกวดหนูน้อยนพมาศและประกวดการทำกระทงในชั่วโมงสังคมศึกษาเราได้สอนนักเรียนเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของประเพณีลอยกระทงประวัติที่เราจะเล่าให้นักเรียนฟังนี้ เป็นประวัติการลอยกระทงของล้านนาหรือทางภาคเหนือซึ่งจะแตกต่างกับของภาคกลางเราบอกนักเรียนว่าวันนี้เราจะเล่าประวัติของประเพณีลอยกระทงหรือลอยขโมดของล้านนาเด็กๆทุกคนในห้องต่างตั้งใจฟังกันอย่างมากเพราะคงจะสนใจคำว่าขโมดเราจึงอธิบายให้นักเรียนฟังว่าขโมดคือผีชนิดหนึ่ง ที่มีไฟระยิบระยับส่องออกมาเด็กๆทุกคนต่างพากันเงียบเราจึงเริ่มเล่าต่อว่าในอดีตสมัยเมืองฮาริพุนชัยหรือลำพูนในปัจจุบันได้มีกลุ่มคนหรือชาวมอญอ พ, พยพมาจากเมืองสุธรรมวดีหรือสะเทิมแลมาอยู่ที่เมืองฮาริพุนชัยซึ่งต่อมาเมืองฮาริพุนชัยได้เกิดโรคระบาดที่เรียกว่าโรคคา หรืออหิวาตกโรคสมัยนั้นไม่มียารักษาผู้คนจึงล้มตายเปน็นนันมากชาวบ้านที่เหลือจึงได้อพยพกลับไปยังเมืองสุธามวดีที่อยู่ในประเทศพมา่าพ่อสายอยู่ที่นั่นได้ประมาณสองสามปีก็ทราบข่าวว่าโรคหาได้หายไปหมดแล้วจึงมีผู้คนจำนวนหนึ่งอยากอพยพกลับมาหนะ้าเมืองหาริพุนชัยเหมือนเดิม แต่ก็ยังมีพักพวกญาติมิตรที่ไม่ยอมอพยพตามมาด้วยเพราะบางคนได้ตั้งบ้านเรือนอยู่ที่เมืองสุธรรมวดีและบางคนก็แต่งงานกับคนสุธรรมวดีแล้วจึงไม่อพยพตามมาดังนั้นในวันเพ็ญเดือนสิบสองพระจันทร์เต็มดวงเมื่อได้ชมแสงจันทร์วันเพน็ญก็เหมือนโดนมนต์สะกดให้รำลึกและคิดถึงคนที่เป็นทีรัก ชาวมอนที่อพยพมาอยู่ที่เมืองฮาริพุนชัยก็คิดถึงญาติมตดที่ยังอยู่เมืองสุธ ร, รมวดีในประเทศพามา่าจึงได้ทำกระทงใส่ของจุดไฟไว้ในกระทงและนำไปลอยแม่น้ำเพื่อส่งของและความคิดถึงไปยังญาติพี่น้องที่เมืองสุธ ร, รมวดีแต่ละคนก็ปล่อยให้กระทงไหลไปตามน้ำเมื่อแสงไฟในกระทงกระทบกับน้า ก็เกิดแสงระยิบระยับคล้ายกับผีขโมดดังนั้นจึงเรียกการลอยกระทงว่าลอยขโมดพอเราพูดจบก็หันไปวาดรูปกระทงที่บนกระดานดำพอกําลังจะหันหน้ามาหานักเรียนก็ได้ยินเสียงเด็กชายอุทยัยตะโกนด้วยเสียงอันดังว่าคุณครูครับระวังเหยียบเท้ายายครับเราก็รีบก้มมองไปที่เท้าตัวเอง ด้วยความตกใจแต่ก็ไม่เห็นใครยืนอยู่แถวนั้นเลยเรายืนงุนงงอยู่หน้าห้องสักพักก็ได้ยินเสียงนักเรียนในห้องหัวเราะที่อาจจะตลกท่าทางของเราตอนที่ตกใจหรือหัวเราะใส่เด็กชายอุทยหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะนอกจากเด็กชายอุทยแล้วก็ไม่เห็นมีใครเห็นคุณยายมายืนหลังเราอย่างที่เด็กชายอุทยยืนยันหนักแน่นว่า ผมเห็นมียายคนหนึ่งมายืนด้านหลังคุณครูจริงๆครับแล้วก็มีเสียงนักเรียนหญิงคนหนึ่งพูดขึ้นว่าคุณครูคะเด็กชายอุทัยคงจเละเมอเมื่อกี้หนูเห็นเด็กชายอุทัยนั่งสประกอยู่คะ่ะคำพูดนั้นเรียกเสียงหัวเราะ อ, อย่างครื้นเครงขึ้นภายในห้องหลังจากสอนจบชั่วโมงนั้นก็เป็นเวลาพักกลางวันพอดี ทุกคนจึงไปรับประทานอาหารกลงางวันที่โรงอาหารของโรงเรียนขณะที่เรากำลังเดินไปห้องพักครูก็ได้รับโทรศัพท์สายหนึ่งที่โทรมาจากทางบ้านบอกข่าวร้ายว่าคุณแม่ของเราได้เสียชีวิตแล้วด้วยสาเหตุหกล้มในห้องน้าและหัวฟาดพื้นอย่างแรงท่านเพิ่งจะอายุได้72ปีเราไม่นึกเลยว่า แม่ของเราจะจากไปเร็วแบบนี้เมื่อเราทราบข่าวรายนั้นจึงรีบขอลาผูอานวยการกลับบ้านเพื่อไปจัดงานศพให้แม่หลังจากที่ทำการชาปนากิจคุณแม่เรียบร้อยแล้วเราก็กลับมาทำงานตามปกติแต่ในใจของเราก็ยังคงติดใจคำพูดของเด็กชายอุทยัยที่บอกเห็นยายแก่ๆมายืนใกล้ๆเรา ซึ่งตรงกับเวลาที่แม่ของเราเสียพอดีอีกทั้งเราก็เคยได้ยินเรื่องราวของเด็กชายอุทยัยซึ่งหลายคนได้มาเล่าให้ฟังว่าเด็กชายอุทัยมีสัมผัสที่หหรือเป็นเด็กเห็นผีวันนั้นเราจึงเรียกเด็กชายอุทัยเข้ามาคุยด้วยเราถามเด็กชายอุทัยว่าวันที่ครูเล่าเรื่องประวัติลอยกระทงให้ฟัง เธอบอกครูว่าให้ระวังเหยียบเท้ายายเธอพอจะจำได้ไหมว่ายายคนนั้นสวมเสื้อสีอะไรเด็กชายวุฒัยบอกว่าจำได้ครับผมจำหน้าได้ด้วยวันนั้นยายคนนั้นนุ่งเสื้อคอกลมสีขาวแขนยาวมีลายจุดสีเขียวและนุ่งผ้าถุงสีน้ําตาลลายดอกครับเรารู้สึกตกใจมากเพราะนั้น คือชุดที่แม่เราใส่ในวันที่ท่านเสียชีวิตจริงๆแม่ของเราคงเป็นห่วงเราและอาจจะอยากมาบอกลาเราหรือเปล่าก็ไม่รู้เราเริ่มเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึง่งว่าเด็กชายอุทยมีสัมผัสที่หกและเป็นเด็กเห็นผีจริงๆดังนั้นเราจึงต้องหาคำตอบให้ได้หลังจากโรงเรียนเลิก คนที่เราไปหาคนแรกก็คือศิทธยาพี่บานหรืออาจารย์ประจำโบสถ์ซึ่งโบสถ์นี้อยู่ใกล้บ้านของเราและสาเหตุที่เราไปโบสถ์ก็เพราะว่าเด็กชายอุทยัยนับถือาศาสนาครสิสต์และมักจะมาที่โบสถ์นี้พอไปถึงเราก็คุยกับสิทธยาพี่บานท่านได้บอกว่าเด็กชายอุทยัยมีสัมผัสที่หจึงมองเห็นผี แล้วอาจารย์ก็เล่าต่อว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งมีผู้ชายคนหนึ่งมาหาอาจารย์ที่โบสถ์แล้วบอกว่าเขาโดนผีอำบ่อยมากชายคนนั้นขอร้องให้ช่วยหาสาเหตุว่าทำไมโดนผีอำบ่อยๆทั้งๆที่เขาสวดมนต์ก่อนนอนทุกคืนพอสอบถามไปสอบถามมาก็ได้รับคำตอบว่าคนในบ้านของชายคนนั้นมักจะไปงานฉลองต่างๆ และมักจะได้รับเครื่องรางของขรังที่ทำพิธีปลุกเสกมาจากเจ้าภาพของงานนั้นเมื่อได้มาแล้วก็ไม่ได้นำมาบูชาส่วนใหญ่จะเก็บไว้ตามซอกตู้บางบนโต๊ะบางแล้วก็ไม่ได้สนใจอะไรสิทธยาพิบาลจึงบอกว่าเครื่องรางของขรังนั้นอาจจะเป็นสาเหตุที่เป็นสื่อของผีมารซาตานก็ได้ เพราะบางครั้งอาจจะมีการปลุกเสกโดยนำดินมาจากปา่าชาหรือเอาเท่ากระดูกของคนตายมาทำพิธีใช้มนต์ดำเพื่อให้เครื่องรางของครั้งนั้นศักดิ์สิทธิ์ดังนั้นของพวกนี้บางทีอาจจะมีวิญญาณชั่วสิงสถิตยอยู่และออกมาหลอกหลอนเมื่อชายคนนั้นได้ฟังจึงขอให้อาจารย์ช่วยแก้ไขอาจารย์จึงแนะนาให้ทุบทิง้ง แต่คนที่จะทุบทิ้งได้นั้นต้องมีจิตใจเข้มแข็งอาจารย์จึงบอกว่าจะทุบเครื่องรางเหล่านั้นให้โดยให้ชายคนนั้นนำเครื่องรางของครังมาทำพิธีในโบส์ก่อนที่จะทุบหลายวันผ่านไปเมื่อชายคนนั้นกลับมาอีกครั้งก็ได้นำเครื่องรางห้าอันเนบไว้ที่เสือ้อตรงบริเวณไหลข้างละตัวอีกตัวหนึ่งเน็บไว้ที่เอวด้านหลัง ส่วนอีกสองตัวใส่ไว้ในกระเป๋าเสื้อวันนั้นเด็กชายอุทัยอยู่กับสิทธยาพี่บานพอดีพอชายคนนั้นเดินมาถึงประตูโบสถ์เด็กชายอุทัยก็พูดขึ้นมาว่าเขาเห็นมีปีศาจนั่งอยู่บนบ่าของชายคนนั้นสองตัวและมีปีศาจเดินตามหลังหนึ่งตัวอีกสองตัวเดินขนาบข้างพอชายคนนั้นเดินเข้าประตูโบสถ์มา ปีศา์ทั้งห้าตัวก็กระโดดหนีหายไปหลังจากทําพิธีทุบเครื่องรางเสร็จแล้วชายคนนั้นก็กลับบ้านไปหลายสัปดาห์ต่อมาชายคนนั้นก็กลับมาบอกว่าเขาไม่ถูกผีอำอีกเลยสิ่งที่ศิทธยาพี่บาลเล่าให้เราฟังนั้นทําให้เราเริ่มเชื่อมากขึ้นว่าเด็กชายอุทัยมีสัมผัสที่หกจริงแต่ถ้าจะให้เชื่อเต็มร้อย คนที่เราต้องไปหาข้อมูลก็คือพ่อแม่ของเด็กชายอุทยัยเพอะถึงวันเสาร์เราก็เลยถือโอกาสไปเยี่ยมบ้านของนักเรียนแต่ละคนคนแรกที่เราไปก็คือบ้านของเด็กชายอุทยัยพอเรามาถึงบ้านของเด็กชายอุทยัยก็เห็นบ้านหลังหนึ่งซึ่งเป็นบ้านไม้ชั้นเดียวมีใต้ถุนลง่งพ่อและแม่ของเด็กชายอุทยัยยืนอยู่ที่หน้าบ้าน ส่วนเด็กชายอุทยกำลังเล่นกับน้องเราจึงเข้าไปทักทายพ่อและแม่ของเด็กชายอุทยและบอกให้เด็กชายอุทยพาน้องไปเล่นที่หลังบ้านเมื่อมีโอกาสเราจึงได้พูดคุยกับคุณพ่อและคุณแม่คุณแม่เราว่าตอนที่เด็กชายอุทยเกิดจนถึงอายุหนึ่งขวบเด็กชายอุทยไม่เคยร้องไห้งองแงเลย บางวันเวลานอนหลับก็จะยิ้มอยู่คนเดียวเมื่อตื่นขึ้นมาก็จะเล่นหัวเราะ อ, อยู่คนเดียวซึ่งคนสมัยนั้นจะบอกว่าเด็กชายอุทัยมีแม่ซื้อมาเล่นด้วยเพราะเด็กชายอุทัยอายุประมาณสองถึงสามขวบ ก, กำลังน่ารักน่าชังพูดได้แล้วแต่ไม่ค่อยชัดเวลาพาไปไหนด้วยเด็กชายอุทัยมักจะพนมมือไหว้และพูดว่า ซึ่งมันคือคํากล่าวทักทายแกสวัสดีไปทั่วแม้แต่ต้นไม้ที่อยู่ข้างทางก็ตามเวลาแม่ถามว่าสวัสดีใครเด็กชายอุทัยมักจะตอบว่าตุจ่าลุงตุจ่าป่าตุจ่าพี่ตุจ่าใหญ่ที่เขายือนหยุดตรงนั้นบ้างตรงนี้บางตอนแรกแม่ก็คิดว่าแกคงเล่นแบบเด็กๆทั่วไป แต่พออายุ 4- ีห้าขวบเวลาพาไปไหนแกมักจะชี้ตามข้างทางไว้เห็นคนยืนอยู่ตรงนั้นบางคนยืนร้องไห้บางคนก็มีเลือดอาบท่วมตัวบางคนกวักมือเรียกให้ไปหาบางคนก็วิ่งตามรถมาเด็กชายอุทยจะพูดคนเดียวตลอดเส้นทางจนบางครั้งพ่อและแม่ที่นั่งมาด้วยต้องเอามือปิดปากปิดตา ไม่ให้พูดอะไรออกมาเพราะมันดูน่ากลัวทำเอาคนหัวลุกไปกันหมดพอเด็กชายอุทัยอายุได้หเจ็ขวบแกมักจะทักคนที่มาด้วยว่ามีคนตามหลังมาและรู้แม้กระทั่งเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายถ้าพาไปเที่ยวยังสถานที่แปลกๆเด็กชายอุทัยก็มักจะชี้ให้ดูว่ามีคนเอาหัวห้อยอยู่บนต้นไม้บาง หรือมีคนเดินตามหลังมาบางแต่พอหันไปดูตามที่แกบอกกลับไม่มีใครมาระยะหลังๆนี้แกไม่ค่อยพูดมากแล้วคิดว่าแกคงเห็นอยู่แต่ไม่อยากบอกใครเพราะคนส่วนใหญ่มักจะหัวเราะหรือไม่เชื่อสิ่งที่แกบอกบางครั้งตอนกลางคืนเด็กชายอุทัยก็พูดโวยวายว่ามีคนมาหาแก และมันเป็นแบบนี้จนพ่อและแม่เป็นทุกข์เพราะเป็นห่วงลูกของแกเพราะเราได้ยินดังนั้นจึงเชื่อร้อยเปอร์เซนต์เลยว่าเด็กชายอุทัยเป็นคนพิเศษสามารถสัมผัสหรือมองเห็นวิญญาณได้พอโรงเรียนปิดภาคฤดูร้อนเราจึงเดินหางไปกราบนมัสการพระเกจิชื่อดังและนั่งทางในปฏิบัติกรรมฐานด้วย เราได้เอาวันเดือนปีเกิดของเด็กชายอุทยไปให้ท่านดูพอพระอาจารย์นั่งสมาธิสักครู่ท่านก็เอ่ยขึ้นว่าเด็กคนนี้เคยเป็นลูกของซาตานพ่อและแม่ของเด็กในปัจจุบันเคยไปขอลูกกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หน้าที่แห่งหนึ่งเพราะต้องการอยากจะมีลูกก็ได้เด็กคนนี้มาเด็กคนนี้จึงมีสัมผัสที่หมองเห็นผี เราจึงถามว่าแล้วอนาคตของเด็กชายอุทัยจะเป็นยังไงพระอาจารย์ได้ตอบมาว่าตามธรรมชาติแล้วถ้าเด็กคนนี้โตขึ้นแกก็จะเห็นผีน้อยลงจนเหมือนเป็นคนปกติไม่สามารถเห็นผีได้อีกแต่ถ้าหากลูกซาตานตนนี้ริดแรงกาก็จะทำให้เห็นผีต่อไปและจะเห็นชัดเจนมากขึ้น ถ้าหากเด็กคนนี้มีขวัญดีก็จะสามารถรู้อนาคตกลายเป็นผู้ทำนายดวงชะตาของผู้อื่นได้อย่างแม่นยำดังตาเห็นจะมีชื่อเสียงเกียรติยศเงินทองมากมายแต่ถ้าเด็กคนนี้มีจิตใจอ่อนแอหรือขวัญอ่อนก็จะกลายเป็นบ้าไปในที่สุดเรานึกสงสารลูกศิษย์ของเราจึงถามพระอาจารย์ว่าจะมีวิธีช่วยยังไงบ้าง พระอาจารย์ตอบว่าสามารถช่วยได้โดยให้ผู้มีวิชาขมังเวนำดินเจ็ดปาชามาทำพิธีปิดตาเด็กเด็กก็จะหายจากการมองเห็นผีหลังจากลาพระอาจารย์แล้วเราจึงเดินทางกลับบ้านเพื่อที่จะดำเรื่องนี้ไปบอกกับพ่อและแม่ของเด็กชายอุทยัยพ่อและแม่ของเด็กชายอุทยัยพอได้รับรู้เรื่องราว จึงพาลูกไปหาผู้มีวิชาเพื่อทำการล้างตาและตัดสัมพันธ์กับซาตานเมื่อเปิดภาคเรียนใหม่เราได้พบกับเด็กชายอุทยที่มาพร้อมกับพ่อและแม่เด็กชายอุทยมีสีหน้าท่าทางเป็นปกติราเรื่นแจ่มใสเหมือนเด็กคนอื่นๆพ่อและแม่ของเด็กชายอุทยแอบกระซิบบอกเราว่าเด็กชายอุทยไม่เห็นผีแล้ว เรานึกขอบคุณในใจที่พ่อและแม่ของแกรักลูกไม่เห็นแกทรัพย์สินเงินทองที่อาจจะได้มาความรักของพ่อแม่นี่ยิ่งใหญ่เหนือสิ่งอื่นใดจริงๆในระหว่างที่เราคุยกับพ่อแม่ของเด็กชายอุทัยอยู่นั้นเด็กชายอุทัยก็หันมาทำหน้านิง่งแล้วก็ยิ้มที่มุมปากให้กับเรา <c oughs> 海洋。<See>